ไปที่หมดนี่น่าเสียดายอันนี้น่าเสีดยนนาสดายมากพวกเราทำงานทำการภาวิตาปารีกตาบะหุ ก, กิ จ, จามะยังบะหกกรณญญามีงานมากมีภาระมากมีกิจมากเราก็ยังพอคิดถึงสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเห็นเป็นโทษเป็นภัยจริงๆในวัตฏสงสารเนี่ย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 รู้รับได้รับความเข้าใจหลักการเจริญมายสติปัญญาเนี้เรานั่งภาวนาไปจนกว่าจะสองเทิมชิน้พาทำผักสมนมจะเอาสมถะ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 มจะพอเรื่องคำพุทโธดูทุกก็ได้ดูเวทนาพุโทโธเมือ่อก่อนนั้นพุทโธํากับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกพอมันเจ็บปวดมากๆพุโทโธพุโทโธจ่อไปตรงที่มันปวดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธลองทำดูทําด้วยความสังเกตสังกาสังเกตจิตใจของเระ